เรามีความทุกข์เมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากระทบคนเรามักจะเพ่งมองหรือไปโทษสิ่งนั้นจนลืมดูใจของตัวบ่อยครั้งเนี่ยสิ่งที่มากระทบมันไม่เป็นปัญหามากเท่ากับ ความรู้สึกในจิตใจของเราอย่างเช่นความหนาวเนี่ยนะความหนาวมันอาจจะไม่เป็นปัญหา ม, มากเท่ากับใจที่ไม่ชอบความหนาวใจที่พยายามผลักไสหรือบ่นโวยวายตีโพยตีพายอยู่ข้างในไอ้ท่าทีแบบนี้เราเรียกว่าเป็นโทสะชนิดหนึ่ง ความหนาวอาจจะทําให้เกิดทุกขเวทนาทางกายแต่ว่ามันไม่จําเป็นว่าจะต้องทําให้เกิดความทุกข์ทางใจที่จริงเนี่ยถ้าเราพิจารณาเราก็จะเห็นได้ว่าเวลามีอะไรมากระทบเนี่ยมันเช่นมากระทบกายเนี่ยมันมีทั้งทุกขเวทนาทางกายแล้วก็อาจจะเกิดทุกขเวทนาทางใจด้วย แต่ว่าคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ทันสังเกตได้ซ้ำนะว่ามันมีทุกกายกับทุกใจอยู่ด้วยกันซ้อนกันคือไป น, นึกว่ามันมีแต่แตทุกกายชเช่นเวลาหนาวนี่ก็รูสึกเออทุกกายแต่ก็มองไม่เห็นหรือไม่สังเกตความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นเพราะว่าไม่ค่อยได้ มาสังเกตดูใจของตัวเท่าไหร่พอมีทุกข์กายขึ้นก็กโวยวายตีโพยตีพายข้ามาในใจแล้วก็ส่งจิตออกนอกไปบนความหนาวไปบนดินฟ้าอากาศก็เลยไม่เห็นไงว่าใจมันตีโพยตีพายหรือว่ามีอาการผลักไสอย่างไรข้างใน จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะความหนาวมันไม่ใช่เป็นปัญหามารากใจที่ผักใส่พอใจผักใสเนี่ยก็ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมันก็ไปซ้ำเติมกับความทุกข์ทางกายที่มีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใจเราเป็นปกติไม่ผักใสความหนาว หรือทุกเวทนาที่เกิดขึ้นนะมันก็มีแค่ความทุกข์กายเบาๆความเจ็บความป่วยก็เหมือนกันมันไม่ใช่ปัญหามากเท่ากับใจที่รู้สึกต่อต้านผักใสรวมทั้งความกลัวบางคนเป็นนิดเป็นหน่อยนะแต่ว่านอนสม หรือว่าเสียศูนย์ไปเลยเพราะว่าปรุงแต่งว่าตายแล้วชนคนอาการหนักแล้วมั้งอย่างมีคนหนึ่งก็เป็นพนักงานบริษัทอายุก็ไม่มากนะสามสิบสี่สิบเล่นเทนนิสเป็นประจำวันหนึ่งไปตรวจสุขภาพประจำปี หมอบอกว่าคุณหัวใจรั่วแต่ตกใจมากเลยเพราะในความเข้าใจของแกหัวใจรั่วคือหัวใจเป็นรูเวลาหัวใจมันบีบหรือหัวใจมันเต้นมันก็จะมีเลือดพุ่งออกมาอย่างนี้ก็ตายสิพอแกคิดเช่นนี้แกก็สุดเลยจริงๆหมอตั้งใจจะบอกว่าเนี่ยลิ้นหัวใจแกรั่วคนที่ลิ้นหัวใจรั่วนี่ พียงใช้ชีวิตตามปกติได้อาจจะออกกำลังกายได้ได้ซ้ำแต่พอเข้าใจที่หมอพูดเนี่ยผิดแล้วก็ใจก็มีความกลัวอยู่แล้วนี่ก็เลยสุดเลยไม่กี่วันก็ต้องเข้าโรงพยาบาล อยู่โรงพยาบาลไม่กี่วันก็ต้องเข้าห้อง ICU แล้วก็ไม่ออกไมากันเลยคือตายเพราะไม่ใช่ตายเพราะลิ้นหัวใจรั่วนะแต่ตายเพราะใจที่มันตื่นตระหนกใจที่กลัวซึ่งเกิดจากความหลงความเข้าใจผิดเป็นพื้นด้วยอันนี้ลิ้นหัวใจรั่วมันไม่ใช่ปัญหามากเท่ากับใจที่ หลงใจที่ตื่นตหนกใจที่ผลักไสนะมันก็ไปซ้ำเติมความทุกข์กายหรือซ้ำเติมร่างกายให้ย่ำแย่ลงไปเสียงที่ได้ยินเม่่จะเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงจากลำโพงเสียงโทรศัพท์ที่ดังกลางศาลาเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหามากเท่ากับ ใจที่ไม่ชอบใจที่ผลักไสพอมันเกิดความรู้สึกหรือท่าทีแบบนี้ขึ้นมานี่ทุกเลยนะตอนนี้นที่เสียงโทรศัพท์อาจจะเป็นเสียงเพลงได้ซ้ำแต่เมื่อใจไม่ชอบก็เป็นทุกพอเป็นทุกแล้วเป็นไงมันก็ผักไสอยากจะให้เสียงมันดับอยากจะให้เจ้าของปิดเครื่อง หรือจัดการทำให้เสียงมันหายไปไวๆใจถ้าเกิดเจ้าของเครื่องไม่อยู่ก็ ย, ยิ่งหงุดหงิดเข้าไปใหญ่เสียงมันไม่ทำให้หงุดหงิดนะแต่ว่าใจนะที่ไม่ชอบไม่ไม่ใจที่อยากปรับใสเนี่ยนะมันก็ทำให้เกิดความทุกข์มากขึ้นจนบางทีอาจจะอยู่นิ่งไม่ได้ กระสับกระส่ายเลยไอต้องส่งเสียงดังไปยังเจ้าของเครื่องว่าทําไมไม่ปิดนเรียกว่าลืมตัวไปเลยโมโหจะลืมตัว ท, ทั้งที่คนอื่นเขานิ่งสงบแต่ตัวเองนี่ทนไม่ได้ถามว่าปัญหาอยู่ที่ไหนอยู่ที่เสียงหรือเปล่าไม่ใช่อยู่ที่เสียงอยู่ที่ใจที่ไม่ชอบ ต, ตัวการอยู่ตรงนั้น ให้เราลองสังเกตดูนะเวลามีความทุกข์ใจเนี่ยไอสิ่งที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงหรือว่าปดทัพทะหรือสิ่งที่มาต้องกายเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหามาเท่ากับใจของเราที่วางไม่ผิดหลนะวง่าชาท่านพูดว่า ผู้เตือนใจไว้ดีว่าเวลาเราทุกข์กันนะอย่าไปโทษนะสิ่งนอกตัวในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันถูกทั้งนั้นแหละแต่ที่ผิดก็คือใจของเรานั่นแหละใจเราวางไว้ผิดสิ่งที่ปรากฏอยู่มันก็เป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นสิ่งที่มากระทบ ตัวเรามันก็เป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นอย่างเช่นความหนาวความเย็นมันก็เป็นธรรมดาของมันแต่เป็นเพราะเราวางใจไม่ถูกวางใจไม่ถูกก็เช่นการไปผักใสมันไปต่อต้านหรือความเกลียดชังมันคนที่ทำตัวไม่น่ารักอาจจะพูดจาไม่ดีกับเรา อนนั้นก็ไม่ใช่ปัญหามากเท่ากับใจของเรานะถ้าใจเราเก็บเอาคำของเขามาคิดคุนนึกถึงคำพูดหรือการกระทำของเขานึกถึงหน้าตาของเขาต่านะนั้งที่ใจอยากจะผลักสายออกไปใจไม่ชอบนะแต่มันกลับคิดกับคุนจนกระทั่ง นอนไม่หลับกระสับกระส่ายทำงานไม่ได้อย่างนี้จะโทษใครนะถ้าว่าเราวางใจนะเป็นกลางๆเขาจะพูดเขาจะทำอย่างไรเราก็ไม่ต่อต้านผลักไสหรือไม่เก็บเอามาคิด มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นความหนาวเย็นของอากาศเสียงที่ดังความเจ็บป่วยมันอาจจะก่อให้เกิดความทุกข์ทางกายแต่ถ้าใจเราไม่ต่อต้านไม่ผักใสความทุกข์ใจจะเกิดขึ้นได้อย่างไรลองทำใจให้เป็นกลางๆดู เราจะพบว่าเออมันก็ไม่ได้ทุกอะไรนะมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นมีทุกขเวทนาที่กายก็จริงเช่นความเจ็บความป่วยนะใจก็ยอมรับมันได้นะไม่ผักไสมันความสงบก็เกิดขึ้นที่ใจนะลองดูนะลองพิจารณาสาวย้อนมาดูเวลาเราทุกข์ใจเนี่ย มันเป็นเพราะเราวางใจผิดหรือเปล่าไอ้ความต่อต้านจิงชังผลักไสนี่ไม่ว่ามันเกิดขึ้นกับใครหรือมันมีความรู้สึกต่อต้านสิ่งใดก็ตามเนี่ยแม้จะเป็นสิ่งเล็กสิ่งน้อยก็ทำให้เป็นทุกข์ได้มากมายมาหาศาลอย่างวัยรุ่นนะที่เห็นสิวของตัวเองเนี่ย เวลามองกระจกแล้วเห็นสิวบนใบหน้างตัวเองเนี่ยสิวมก็เม็ดเล็กๆที่จริงก็เป็นธรรมดาตามวัยแต่พอไม่ชอบสิวแล้วเนี่ยมันทําให้ทุกข์มากเลยทำให้รู้สึกขาดความมั่นใจในตัวเองทําให้รู้สึกเสียเซล์ทําให้ไม่อยากสูงสิงกับใครทําให้กินไม่ได้นอนไม่หลับทําให้อยากจะตายก็มี รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายก็อยากตายขึ้นมาทันทีไม่ว่าไทยฝรั่งจีนนะถ้ามันมีความสึกต่อต้านขนาดนั้นเนี่ยฆ่าตัวตายได้เลยนะแล้วก็มีมาแล้วด้วยในสิวเม็ดเล็กๆนี่แหละมันทําให้ทุกกายทุกเปล่าเปล่าเลยนะแต่ว่าทุกใจทุกใจเพราะต่อต้านผักใสชิงชังมัน แต่ถ้าเกิดว่าเออทำใจเป็นกลางมว่าเป็นเร็มดามันเป็นธรรมดาเมื่อมองอย่างนั้นเนี่ยมันก็ทำแล้วเราไม่ได้ที่มันทำแล้วเราได้เพราะว่าเราชิงชังมันเราลังเกียจมันเราผักใสมันให้การต่อต้านผักใสสิ่งใดหรือชิงชังสิ่งใดก็คือการให้อํานาจกับสิ่งนั้นมามีทิพย์ผลเหนือเราเมื่อเราเกลียดใครเราชิงชังใคร เราอิจาใครก็เท่ากับว่าเรากําลังให้อํานาจแก่คนคนนั้นให้มามีอิทธิพลต่อจิตใจของเราหรือต่อการกระทำของเราถ้าเราไม่อยากให้เขามีอานาจเหนือเราเราก็อย่าไปโกรธอย่าไปชิงอย่าไปชังอย่าไปอิจฉาอย่าไปเกียดเขานะวางใจเป็นกลางรู้สึกกลางกลางกับเ ข, นะเขาก็จะไม่สามารถมีอิทธิพลต่อเราได้ เวลาเห็นเขาที่ไหนเออเราก็ไม่ได้ทุกร้อนอะไรเวลาเอ็ก็พูดอะไรเราก็ไม่ได้รู้สึกต่อต้านก็าสามารถจะอยู่เย็นเป็นสุขนอนหลับสบายได้จากคนเรามัจะมองไม่เห็นไม่เท่าทันใจพอมีความทุกข์ขึ้นมาที่ใจก็ไป โทษหรือไปเพ่งว่าเป็นเพราะคนนั้นเป็นเพราะสิ่งนี้ซึ่งล้วนแล้วแต่อยู่นอกตัวทั้งนั้นงั้นถ้าเราลองรักษาใจของเราให้เป็นปกติเวลามีอะไรมากระทบไม่ว่ามันจะมีความทุกข์กายแค่ไหนนะใจก็จะไม่กระสับกระส่ายว้าวุ่น อันนี้รวมไปถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจด้วยนะเช่นความคิดฟุ้งซ่านความเบื่อความเหงาความเครียดริงเหล่านี้มันเมื่อเกิดขึ้นที่ใจจะในชีวิตประจำวันหรือจากในระหว่างการปฏิบัติก็แล้วแต่ถ้าเราไปต่อต้านผักใสมัน ทำไมมันฟุ้งซ่านอย่างนี้ทำไมมันคิดมากอย่างนี้เนี่ยนี่เราเสร็จมันละทำไมเครียดมากเหลือเกินถ้าอยิ่งเรามีปฏิกิริยาแบบนี้เนี่ยก็ยิ่งทุกข์นะจริงๆความฟุง้งซ่านความเครียดนี่ไม่เป็นปัญหานะมันไม่ใช่ปัญหาป็นอะไรที่ใจที่ไม่ชอบ จริงถ้าเราเพียงแต่เห็นมันเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นกลับดีด้วยซ้ำนะเพราะว่าการที่เราเห็นมันบ่อยๆนี่ก็จะทำให้เรารู้เท่าทันมันได้ไวขึ้นมีความฟุ้งซ่านบ่อยๆแล้วเห็นมันบ่อยๆเราก็จะไวเราก็จะจําลักษณะอาการของมันได้ เหมือนกับเราจําหน้าโจรหน้าคนขี้โกงได้พอเห็นปุ๊บก็จําได้ก็ไม่เชื่อไม่หลงไม่คล้อยไอ้แต่ก่อนเนี่ยยอมถูกเ้าหลอกอยู่เป็นประจําก็จําไม่ได้จําไม่ได้จําเสียงไม่ได้จําหน้าตาไม่ได้ก็เลยถูกหลอกแล้วหลอกเรา แต่พอเรามีสติมาเห็นมันเห็นมันบ่อยๆบ่อยเราก็จำมันได้พอมันเกิดขึ้นอีกอเราก็ไม่หลงเชื่อตามมันละความคิดมันจะลากพาเราไปไหนเราไม่มันไม่ไปกับมันเพราะเรารู้แล้วว่าเราจำมันได้แล้วในว่ามันมันทำให้เราหลงทำให้ลืมตัวเห็นความเครียดนะเห็นบ่อยๆมันก็ดีทำให้เรารู้ทันมันได้ไวขึ้น ความเงาวความเบื่อมันก็ไม่ใช่ปัญหานะปัไหาที่เราไม่ชอบมันนะพอเราไม่ชอบมันก็กลายเป็นทุกข์ขึ้นมาเลยเพอยิ่งไม่ชอบก็ยิ่งอยากจะผลักไสยิย่งอยากจะให้มันหายไปไวๆวแต่มันไม่ยอมหายมันก็เ อ, อยอิงแต่ถ้าเราวางใจเป็นกลางเออมันจะมันจะมามันจะมาก็มา นะต่างคนต่างอยู่แล้วกันฉันไม่ผักใสแกแกจะอยู่ก็อยู่ไปฉันก็จะปฏิบัติของฉันไปแล้วก็ฉันก็จะไม่ไม่เผลอจมหายเข้าไปในความเบื่อด้วยไม่จมหายเข้าไปในความเครียดนะแกจะมาก็มาแกจะอยู่ก็อยูนะ่ต่างคนต่างอยู่ก็แล้วกันฉันไม่ ไปสู้ลบตบมือแกฉันก็ปฏิบัติของฉันไปถ้าเราวางใจแบบนี้เนี่ยมันมันไม่ทูกขหรอกมันจะมันจะอยู่นานเท่าไหร่เราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะเห็นมันไม่เผลอไปผักใสหรือเข้าไปเป็นผักไสก็เข้าไปเป็นนี่มันก็ใกล้กันนะเราอยากจะผักใสความเบือ่อความเครียด สุดท้ายเรากลายเป็นผู้เบื่อผู้เครียดไปเลยเราอยากจะผลักไสความโกรธอยากจะผลักความเกลียดเพิ่แป๊บเดียวเราจมหายเข้าไปในความโกรธความเกลียดกลายเป็นผู้โกรธผู้เกลียดไปเลยความผลักไสกับความยึดติดนี่มันก็อันเดียวกันนั่นนะเราไม่ชอบอะไรเราก็จะจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้น เอาเกียด okay, ใครแล้วก็นึกถึงคนนั้นบ่อยอาจจะมากกว่าคนที่เราลักซะอีกเวลามือเราเปื้อนของเหม็นจะเป็นสีจะเป็นขี้หมาน้ำปลาที่มันฉุนเราไม่ชอบก็ล้างมือล้างนิ้วล้างเสร็จเราทำไง แล้วก็ดึงนิ้วดึงมือมาดมเหนะม้นไม่ชอบล้างอีกล้างเสร็จเอามาดมอีกยิ่งไม่ชอบนะยิ่งดมนะอันนี้ก็เรียกว่ายิ่งผักสายก็ยิ่งยึด ต, ติดคงคล้ายๆกับเวลาเราอยากจะมันมีรถมาขวางบ้านเราขวางหน้าบ้านเราเราก็อยากจะผลักรถออกไปอย่างห่ามแต่พอเราเข็นรถนะยิ่งเข็น มากเท่าไหร่ตัวเราก็ยิ่งใกล้ชิดติดกับรถมากขึ้นยิ่งอยากผักมานออกไปเราก็ยิ่งแนบสนิทติดกับรถมากขึ้นา ก, การผักไสความยึดติดนี้จริงๆก็อันเดียวกันนั่นแหละที่จริงเนี่ยอย่างที่บอกไว้แล้วว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นธรรมดาแต่เป็นเพราะเรามองมันเป็นปัญหาใจเราก็เลยทุกข์แต่ถ้าเรามองอีกแง่หนึ่งมันก็มีประโยชน์นะ เสียงที่ดังมันก็มีประโยชน์นะมันก็ฝึกสติฝึกใจเราให้นะให้รู้จักอดทนบ้างให้รู้จักมีสติบ้างเราต้องรู้จักใช้มันแทนที่จะเกลียดมันกลับยันประโยชน์ของมันความหนาวก็มีประโยชน์นะมันทำให้เราได้มาฝึกดูใจของเราว่าเรารู้สึกอย่างไรต่อความหนาว ทำให้เราแยกแยะได้ว่าเออทุกกายเป็นอย่างนี้ทุกใจเป็นอย่างนี้ไม่งั้นมองไม่เห็นเลยนะความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นมันมาฝึกว่าเออเราจะรักษาใจให้เป็นปกติได้อย่างไรหนาวแต่กายใจไม่หนาวทําได้อย่างไรเออกายเป็นของดีเลยความเจ็บความป่วยก็เหมือนกันมันสามารถจะเป็นของดีได้ เพราะว่ามันกําลังแสดงสัจธรรมให้เราเห็นแสดงเรื่องความไม่เที่ยงเรื่องความทุกข์เรื่องความไม่ใช่ตัวตนให้เราเห็นเมื่อวานยังสบายอยู่เลย ว, วันนี้ทําไมแย่ซะละเราคิดว่าร่างกายนี้มันจะให้สุขกับเราแต่ที่ทําไมมันมันทุกข์ซะละ้ก็ทําให้เห็นต่อไปโดยซ้ำๆเออจริงความทุกข์มันอยู่กับเราตลอดเวลา เราคิดว่าร่างกายเป็นของเราสั่งได้แต่ที่จริงสั่งไม่ได้ไม่อยากให้มันป่วยก็ป่วยให้หม อ, องในแง่นี้เนี่ยความป่วยความเจ็บก็สอนทำแก่เราเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันสามารถจะเป็นกำไรเป็นกำไรให้กับเราได้ถ้าเรามองเป็นไม่ปฏิเสธผักสายแต่เปิดใจ รับธรรมะนะที่ความเจ็บความป่วยมาแสดงให้กับเราอาจารพุทธทาท่านก็พูดอยู่เสมอว่าความเจ็บความป่วยมาเตือนให้เราฉลาดไม่ใช่ฉลาดในเรื่องโลกอย่างเดียวแต่ฉลาดในเรื่องของชีวิตเรื่องของความจริงของชีวิตและเจ็บป่วยนี่ก็สามารถทำให้บรรลุธรรมได้นะ อย่างพระพคุณะเนี่ยพระพคุณะเนี่ยป่วยป่วยอย่างหนักเลยลมมันตีไปที่ที่ศีรษะเหมือนกับทำให้เจ็บปวดมันก็ถูกเชื่อท้องก็ปวดเหมือนกับมีมีดมาแทงกระสับกระใสนะควรครางเหมือนกับว่ามีของร้อนมาเผาเรียกว่าทั้งตัวนะทุกโวทนาพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาแสดงธรรม มาชี้เห็นว่าเนี่ยสังขารเป็นทุกข์ไม่อาจจะยึดติดถือมั่นกับมันได้ไม่อาจจะฝากความหวังความสุไว้กับมันได้รูปก็เป็นทุกข์เวทนาก็เป็นทุกข์สัญญาก็เป็นทุกข์สังขารก็เป็นทุกข์วิญญาณก็เป็นทุกข์อย่างที่เราสวดเนี่ยะนะเราสวดทุกเชา้าทุกเชา้าเนี่ยจะไม่ซึ้งใจมากเท่าตอนที่ปวดตอนที่เจ็บพระปกรณ์เนี่ก็ฟังธรรมจากพระองค์ ก็เห็นความประทุงแจ่มแจ้งบอกว่าบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนี่ทาไมป่วยนี่ก็คงยัเป็นแค่ปุถุชนอยู่ความเจอความป่วยนี่มันก็เป็นของดีนะสามารถจะทำให้บรรลุธรรมได้เป็นเสมอกับวัตถุดิบนะที่ทําให้เห็นแจ่มแจ้งในธรรมะ ก็เป็นของดีไปไม่ใช่ปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรเป็นปัญหาหรือไม่มันอยู่ที่ใจนะไม่ใช่อยู่ที่สิ่งภายนอกถ้ามองว่าเป็นปัญหาเราก็ทุกข์ถ้ามองไม่เป็นปัญหาเราก็ปกติหรือถ้ามองว่าเป็นของดีเราก็ได้กําไรทำให้ใจไม่ทุกข์ทำให้เกิดเห็นธรรมะขึ้นมา อันที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องการทําใจนะเรื่องการทําจิตไม่ผักใส ย, ยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่ามากระทบทางตาหัวจมูกลิ้นหรือว่าเกิดขึ้นที่ใจก็แล้วแต่มันไม่ใช่ปัญหามากเท่ากับใจที่ต่อต้านผักใสแต่ถ้าวางใจให้เป็นกลางเป็นปกติยอมรับมันไม่ไปไม่จงเกตจงชังมันนะใจเราก็จะสงบ าแล้วก็ตามเนี่ยพุทธศาสนาก็มีสองด้านนะทำจิตกับทำกิจทำกิจนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอนยะ่างเช่นเจ็บป่วยนะมันไม่ใช่ปัญหาก็จริงในแง่ที่ทำให้ทุกข์ใจนะเจ็บป่วยแต่ใจไม่ทุกข์อันนี้ก็ดีแล้วแต่ว่าก็ยังต้องรักษานะถ้ารักษาได้อย่างน้อยก็ต้องรู้จักพักผ่อน หลายอย่างมันไม่ใช่ปัญหาสหรับเราแต่อาจจะเป็นปัญหาหรืออาจจะสร้างปัญหากับคนอื่นเราก็ต้องแก้ไขด้วยไม่งั้นมันก็จะก่อความรงคาญให้กับผู้อื่นหรือว่าสามารถจะสร้างปัญหาอื่นๆตามมาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องลงมือจัดการแก้ไขเสียงดังเร า, า จ, จะไม่ทุกร้อนอะไรนะแต่ว่าคนอื่นก็าอาจจะยังทําใจไม่ได้เราก็ต้องช่วยหาทางป้องกันไม่ให้มันมีเสียงดังมารบกวน อันนี้เป็นเรื่องการทำกิตนะเราก็ต้องทำทั้งสองอย่างแต่ว่าไอ้ตัวพื้นฐานเนี่ยคือการทำจิตของเรานะการระมังการดูจิตของเรารักษาจิตของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้ร้อนไปกับต่างสิ่งต่าง ท, างที่เกิดขึ้นและวิธีที่ทำให้ไม่ทุกข์ไม่ร้อนก็คือการรู้จักวางใจเป็นกลาง ไม่บ่นตีโพตีพายไม่วยวายไม่ผักใสแล้วก็ไม่เผอไปยึดติดยึดติดนี่ก็ทุกข์นะแม้ว่าแม้วสิ่งที่ยึดติดจะเป็นของดีเช่นเป็นความสุขความรอร่อยมันเป็นทุกข์เพราะว่าพอมันจางคลายไปเราก็ไม่พอใจแล้วเราอยากให้มันอยู่นานๆอยู่ไปเรื่อยๆแต่มันก็ไม่ยอมอยู่ เหมือนกันถ้าเราเพลิดเพลินในความในความสุขสบายนะพอไม่สบายพอต้องมาอยู่วัดเนี่ยทุกเลยเพลิดเพลินในอาหารที่ อ, ร, อร่อยร่อยพอมาอยู่วัดอาหารไม่อร่อยนะก็ทุกหรือว่าติดติดสงบนะพอเจอเสียงดังเข้านะทุกเลยจะว่าไปไลวความความความ รู้สึกต่อต้านผักสายปริเสธนี่ก็เกิดขึ้นมาจากความยึดติด น, นั่นเองยึดติดอะไรแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนไปอย่างที่ยึดเพราะมันแปรเปลี่ยนไปก็ไม่ชอบต่อต้านขึ้นมามันเป็นพี่น้องเป็นฝาแฝดมันเป็นสองด้านของเหลืองเดียวกันยิ่งยึดติดก็ยิ่งผักสายยิ่งผักสายก็ยิ่งยึดติดผู้รู้ผู้ฉลาก็วางจจให้ไม่ทั้งไม่ติดแล้วก็ไม่ผักสยอยู่เหนือ เนือการยึดติดเนื้อการผักใสก็คือเป็นกลางตรงนี้ยึดติดก็คืออยากได้ให้มันอยู่นานๆหรือว่าไปแบกไปถือมันเอาไว้ในสิ่งเหล่านี้มันก็ยิ่งหนักไม่ว่ายึดอะไรก็เป็นของหนักทั้งนั้นแต่พอเราวางมาลงทาใจเป็นกลางได้ เห็นมันมาเป็นธรรมชาติธรรมดาใจก็เบาใจก็เป็นปกติอรลถาชาตินี้ก็พูดกับเท่านี้นะครับ